คนที่มีบุญแล้วไม่มีใครอยากตายใช่ตามอยากตายไหมาบางทีถ้ามันอยตายจริงแล้วก็อยากตายะจำใจต้องตายนะ <c oughs> <c oughs> ความจริงเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าคุณในขนาดนั้นสามารถเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้อาทิตย์สมาลัยไกลคือเทวดาได้เป็นนางฟ้าอยู่แล้ว อต่ร่างกายสภาพก็เป็นอย่างนั้นเห็ร่างกายมันก็เต็มด้วยความสมบรณถ้าลุกขนานั้นจิตเป็นฌานเขาก็เป็นตรงเอกไปที่ยิงเป็นตรงก็สวยก็เทวดาได้นาฟ้าก็เห็นร่างกายทีส่สมบูรณ์ใจก็รังเกียจ <c oughs> แต่ว่าบางเอิญการเวลาไม่ถึงจําเป็นต้องกลับกลืนคืนมาไอ้ น, นี่ก็สลบใจเหมือนกัน ตอนยัดเขาอยู่ในของเุาหลบตามเดิมใช่ไหมแค่ต้องคิดเราก็ไม่คิดมนันดีกว่าฮะคิดมันทำไมคิดไปก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอ๋อแค่นี้คงเกินไปเมื่อไอยู่หมดแล้วแต่โดนง่าย รับไปในการแนะนำเจริญกรรมฐาน <c oughs> แล้วการเจริญกรรมฐานขั้นต้นคําว่าต้นเนี่ยต้องทําทุกวันเหมือนกันหมดกีกว่าจะตายเนี่ยก่อนภาวนาได้ก่อนพิจรารณาอันดับแรกขอทุกคนปรับเรื่องศินก่อนให้คนนึกสิกนที่มีอยู่ว่าวันนี้สินบกพร่องไหม ถ้าปกป้องในขาวดไหนก็ตั้งใจสมาทานศีลก่อนคิดว่าเราจะเข้าไปศีลตลอดชีวิตหลังจากนั้นตามพระพุทธเจา้าแนะนำไว้ใ น, นอุมริกาสูตน <c oughs> <c oughs> ก็ท้องแต่รว่าเมื่อปราลรบินแล้วให้ทุกคนตั้งใจทังรับนิวรนนี่อย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันหมดยันผ่านนิวรนมีห้เปการหนึ่ง ความรักสวยรักงามเป็นต้นสองอารมณ์ไม่พอใจสารความวุวนอีจิตพุ้งซ้านเกินไปห้าสงสัยในความดีที่เราปฏิบัติทั้งห้าราการนี้ต้องรับขณะที่ภาวนาและพิจารณาถ้าขณะที่เราภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดีจิตคล่องใ น, นวันตัวใดตัวหนึ่งวันนั้นสมาธิไม่เกิด เวลาจิสรงงับก็คือว่าไม่นึกถึงมันนึกถึงเฉพาะลมหาย ใ, ใ, ใ, ใจเข้าขออกเวลาหายใจหายใจเข้าก็ภาวนาหายใจออกก็ภาวนาแ้หาหนักใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีไม่มีรมอื่นแทรกเวลานั้นถือว่ามีวรนงคับจัด ข่ีว์นทั้งห้าระงับจากจิตเวลานั้นจิตก็เป็นปฐมฌานทันทีคำว่าปไมชานนิ่ฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าหนึ่งวิตกนึสองวิจารไข้ครวญสามปีติดความอินใจห้าขีอะไรวะสี่สุขเกิดความสุขทางใจม่สุขอย่างยิ่ง อเอกตามีรมเปน็นหลังหมายความอารมณ์จับอย่างใดหนึ่งมันจะทรงตัวอยู่หลังจากนันชานที่สองสามสี่ก็ว่างเรียไปแค่ชันหนึ่งก็พอเ <c oughs> วจิตสาร ม, มารนะับนเป็นวันได้ชั่วขนาหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนํา <c oughs> ใช้ใช้พงศิหารสี่ควบคุมใจจิตใจได้เยือกเย็ยนทรงชานได้คือหนึ่งให้มีเมตตาความรัก ที่แม้นคนแลสัตว์ทั้งโลกเป็นที่รักของเราเราไม่เป็นศัตรูกับใครข้อที่สองมุทตตามีความสงสารท่านไม่เกินมิใัยถ้าเขามีความทุกข์เราจะเพื่อคุณให้มีความสุขตางกำลังก็ที่สี่สงสารเป็นสองปรนน์คุณาเนี่ยที่สามมุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าได่เสียใครก็าถึงได้ดีพอยินดีด้วย แล้วก็ข้อที่สี่เด็กขาวางเฉย <c oughs> เห็นบุคคลใดสตใดเพียงพร้ำรักความทุกขระไม่ซ้ำเติมให้ทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นถ้าจิตทรงพรมิหารสีครบถวนอารมณ์ก็มีความเยือกเย็นจิตทรงฌานสนิท <c oughs> หลังจากนั้นจะภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีจิตจะทรงตัวนี่เป็นวิธีเริ่มแรกที่เราจะปฏิบัติ ตัแต่วันศึกษาวันต้นคือไยวกัเข้านิทานต้องใช้พื้นฐานนี้เป็นปกตินี่นี่ปิชายานเกิดแล้วความเบื่อในในความตื่นในรงง่วงแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ใช้บทพิจรารณาแล้วบทพิจารณาวันนี้จะขอนำเรื่องพระราบัล มาเล่าสู่กันฟังใป้บุคคลตัวอย่างว่าพระองค์หนึ่งท่านเชื่อว่ารัฐบาลไม่ช่เอารัฐบาลมาบพระใช่ไหมท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีเขาเล่าตอนปลายเลยนะท่านตั้งใจจะบวชแล้วก็บวชได้สมจริงพระวิดาบรรดาจำใจ <c oughs> เมื่อบวชแล้วก็เข้าไปพร้อยู่ไปอยู่เขาจะเจา้าพระเจ้าสองนงาฏานตะเบิงตนนีน่อรหัน สอนโดยยอดจบท่านก็เข้าฝ่าเ <c oughs> ข้าฝ่าชัดปฏิบัติไม่นานนัก็ไวหลวงพ่อปริศมิทายาันหลังจากนั้นท่านก็ลาพุทธเจ้ามามาเยี่ยมพ่อแม่แต่ตอนมาเยี่ยมจะว่าอะไรกันมั่งของดไม่เหล่าตอนนี้มันจะชาเกินไปแต่มาตามโกติเมื่อท่านเป็นครวญ ในสมัยก่อนมาหาเศรษฐีนี่เขาต้องเฝ้าพระราชาเหมือนขอุนานางผู้ใหญ่เวลาเช้าต้องเข้าพระราชสัตว์เข้าเฝ้ามกษัตริย์เหมือนกันขุนางผู้ใหญ่เข้าพร้อมกันเวลาที่พ่อเข้าเฝ้าพระราชศัตว์มักใจชวนท่านไปอยู่เสมอท่านแท่งกับพระราชทศา์คือพระเจ้าโกตรพยะสรุจักกันดี เมื่อมาที่บ้านแล้ววันหนึ่งก็เข้าไปในท่าจิตญาณในสวนพระเจ้าโครพปยาไปพักเป็นเงียบๆก็ปรากฏว่าวันนั้นพระเจ้าโครพยาประเด็จพระจิตญาณเหมือนกันก็ไปพบพระรัฐบาลเข้าท่านจําได้เพเคยเห็นเป็นปกติจึงเข้าไปคุยกันกรพระเจ้าโครพปยาก็ถามว่ากุมรัฐบาล กวามจริงคุณเป็นลูกมหาเศรษฐีและก็เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่รวยมากขณะที่เป็นพระวาตรอยู่ต้องการอะไรก็ได้สมความปรารถนาวันนี้คุณเหม่อชกชักชิมหามเพรมันหลวกขึ้นเวลานี้คุณบวชพระนี่มีความต้องการไม่สมหวังเวลาที่ต้องการร้อนอาจจะได้เย็นต้องการเย็นอาจจะได้ร้อน อยากใช้แกงอาจจะได้ของแห้งอยากใช้งองแห้งอาจจะได้ตม้มมันไม่ตรงความประสงค์มีความลําบากท่านทําไมไม่อยู่รับตําแหน่งมาสิทธิจากพอ่อจะได้ไม่ลาบากถ <c oughs> ้ารัฐบาลก็ถวายพระพร่าประหาราชาณากรถวายพระพรมาหอมพุทธได้สำคัญความจริงเป็นพระวัตรมีความดี มีความปรารถ น, นาสมหวังแต่เปพระก็ดีนี่ไงมันต่างคนต่างดีพี่ต้องการเป็นพระท่อนหนีเหตุมันมีเหตุสี่ประการนะแต่ทีาจำได้สองอาจจะจําได้ทั้งสี่แล้วคิดเกียดมาเล่าสู่กันฟังแต่บอกว่าพี่หนีไปปวดต้นหนีความคล่องของจิตตามธรรมดาชาวโลกชาวโลกก็ไม่มีคอ แกเป็นนิจจิตคร่องอยู่เป็นนิจจ์เป็นท่ายกตัญหาเพราะจิตมันไม่พอจิตมันคล่องความต้องการมันไม่เต็มเป็นท่ายกตัญหาพราะเจ้าโกรพยายก็ถามว่ามันมีความความหมายเป็นยังไงท่านก็ตอบว่าตาธมธรรมดาคนเราหาความพอไม่ได้อ๋อย่างนี้ก็แล้วกันอย่างพระองค์ <c oughs> เวลานี้ เป็นพระราชาเมืองนี้ใช่ไหมพระเจ้าโรรพยะตะบอกว่าใช่ดัง น, นั้นถามว่าถ้ามีประเทศใกล้เคียงมีทรัพย์สมบุญแบบทุกอย่างครบถ้วนแต่อ่อนแอนในการป้องกันตัวกำลังป้องกันประเทศถ้าองคาสามารถจะยึดเอาได้โดย ง, ง่ายโดยไม่เสียกำลังลบจะเอาไหมพระเจ้ากรุระยะบอกเอาถามไปกี่เมืองก็เอาหมด คำถามว่าในเมื่อยึดประเทศต่างๆภายในซี่ฝั่งนี้ก็มหาสมุทรได้ทุกประเทศแล้วไปเขมรองทางก็บอกว่าฝั่งมหาสมุทรสั่งโน้นมีประเทศที่มีความทสมูลท์ทุกอย่างทรัพย์ถินมีมากแต่อ่อนแอในการป้องกันตัวเขาคงยึดได้โดยง่ายจะเอามาตั้งบอกว่า <c oughs> เอาเอาซะอย่างพระจะไปก็บอกว่ามีโลกมันพร่องแบบนี้มันไม่เต็มมันไม่พอ จิตใจของชาวโลกมันพล่องแล้วจะเป็นท่ายข้อตัญหาคือตัวอยากมันไม่จบการบวชเนี่ยพ้นจากความพร่องแล้วก็ไม่เป็นท่ายข้อตัญหารวมความว่าท่านบวชเพื่อการตัดความไม่พอให้เหลือตัวขอ <c oughs> ใช่ไหมก็ไม่อยากได้อะไรต่อไปแม้จะทราพถึงน้ความเป็นมหาเศรษฐีท่านก็ไม่อยากได้รวมความว่าบรรดาท่านพุทธวิสัชน์เวลาที่เจริญกรรมฐาน ก่อนที่จะภาวนาให้พิจารณาซะก่อนคำว่าพิจารณาตรงนี้คือองรคิดเดี๋ยวไม่รู้พิจารณาเป็นยังไงคือใจนึกนึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดในโลกที่มันม่องต่อเวลาคำว่าพอค้นชาโลกไม่มี <c oughs> ก็ดูตัวอย่างพากกระเจ้าโพรัพยะ ท่านเป็นประราชานแล้วปกครองเมืองนี้ก็อยากปกครองต่อไปทั้งโลกในเมื่อความพอไม่มีความอยากก็เถอะไอ้ตัวอยากไม่คือตัญหาตอนนี้พระเจ้าเออพระรัฐบาลก็กลับมาถามพระเจ้าโกโรปยะว่าคนทุกคนที่เป็นเจ้าโลกกนดีเจ้ของมระเทศก็ตามทรัพย์สินมีมากมาย อยากจะทราบเวลาตายมีพระราชางไหนบ้างไหมเทียมแบกเอาไปได้อยากกราพยาบอกไม่ดีดังนั้นรัฐบาลบอกว่าโลกมีความไม่สุขแบบนี้อาจจะมาจนหนีบวตเพราวตัดบวตเพราะตัดตความบกพร่องของจิตบดควางบดให้ทนแต่วความเป็นท่ายกาตัญหาแม่บรรดาแทนพุทธวิสัยก่อนภาวนาก็ขอพิจารณาตามความเป็นจริง ว่ากายเกิดมาในโลกนี้จิตไม่เต็มอารมณ์มันพร่อง <c oughs> ถ้าเราไม่เคยมีทรัพย์ถิ่นเลยเราคิดว่ามีทรัพย์ถิ่นสักเล็กน้อยแล้วก็พอถ้ามีเล็กน้อยแล้วก็อยากจะมีเป็นกลางมีเป็นกลางอยากจะมีมากกว่าคนอื่นมันไม่ก่อไม่จบความจริงว่าจิตมันพร่องเป็นท่ายตันหา เป็นการปฏิบัติธรรดากานพุทบริษัททั้งหมดเป็นการปฏิบัติเพื่อความค้นให้พ้นความเคราะหของจิตและก็พ้นความเป็นตัญหาให้จิตมีกำลังพอคําว่าพอก็หมายความวาเกิดอิจฉาความทุกอย่างนี้มันจะมีกับเราทุกสิ่เป็นประจํำคือเกิดก็ทุกก่อนจะเกิดก่อนจะออกจะกคันมันดาก็เต็มไปฏิความทุก อรอาจะคันบรรดาใหม่ๆั่วย ต, ตัวเองไม่ได้ความหิวเกิดขึ้นความกระหายเกิดขึ้นโภชรปัชวะก็ตามต้องแสดงออกทางเสียงที่ต้องร้องพ่อและแม่ทีงจะรู้ผู้เรียนที่จะรู้ก่อนที่ร้องมาก็มีทุกเบญทนาอย่างหนักอันนี้เราอาจจะจําไม่ได้ <c oughs> ความหิวเกิดขึ้นเขาก็ไม่ทราบว่าหิวหิวนาหนะักเข้ามาันจะมีความทุกข์นี่ตอนต้นการเกิด ว่าโตต่อมาก็มีทุกต่อมีความต้องการมากขึ้นพลาดไม่ได้ตามความสมหวังก็ทุกความป่วยไข้ลำบายเกิดขึ้นแล้วก็ทุกความแก่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไรก็ทุกทุกเรื่อยไปการพัดพราดจากของนักของชอบใจก็ทุกความตายจะเข้ามาถึงก็ทุกถ้าเรายังไม่หมดเจตเกเรตเรื่งใดถ้าความตายจะมาถึงร่างกายนี้มันตาย แต่ว่าทิศมาในกายคืกายภายในไม่ไม่ตายถ้าไปเกิดในทุกติมีนรกเป็น้นแล้วก็ทุกหนักกว่านี้ถ้าไปเกิดในสุกติสวรรค์เนื้อผมก็สุขเปล่าว <c oughs> หมดบุญไม่ชนะบรารมี <c oughs> ก็กลับมาทุกใหม่ขอทุกคนตัดสินใจขึ้นที้ว่าการทุกแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกทําใจให้มันเต็มคําว่าเต็มคือพอในการเกิด ขึ้นยี่ประการเกิดเขามีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขึ้นยี่ประการเกิดในชาติต่อไปสําหรับเรามันมีเราจะเกิดบนนกกดีเทวดาหรือพงศ์มาตามไม่มีสําหรับเราเราต้องการจุดเดือดสีผ่านหลังจากนั้นทุกคนตั้งใจให้ทานตงางพลังที่พึงให้ได้เพื่อเป็นการตัดโลภ ค, ความโลภเป็นก้าวเปหนึ่งที่ใดเข้าถึงผ่านก็จะตัดโซ่สายพนันธุ์ตัวที่การส่งศิน พการทรงศีลนิมิตรเมตตากรุณาทั้งสองวยการเป็นตัวเป็นประธานแต่เมื่อมีมีเมตตาความนักกรุณาความสงสารยืนตัวจิตเขเยืดหยุ่นความโกรธก็น้อยลงเขาก็บรรเทาและตัดโมหะความหลงคือการหลงตัวเองไม่มีมีความว่าใจตามความป็นจริงว่าร่างกายนี้มีความกึกในเบื้องต้นมีความแปรปรนในธรรมการไม่มีการแตกสลายในที่สุด ขณะใดถ้ายัางมีร่างกายอยู่ขนาด น, นั้นก็เต็งปฏิภาณทุกถ้าในการต่อไปเตสังบูปสมโมภโขตามที่ไปอินท่านจัดท่านพุทธจ้มามีผ่านมาการเข้าไปสงบไกลนั่นที่ยวไปสุขสมายความว่าเราไม่มีร่างกายต่อไปเราไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นผมเราต้องการนิพพานภาวะนี้ถึงระไรขึ้นที่ว่าความสุขใหญ่เมื่อถึงระมานั้นตั้งใจตรงจะค้อนนิา ขอบรรดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านกนที่จะภาวนาให้ตั้งใจพิจรนาที่ก่อนว่าการเกิดในมนุษย์โลกมันเป็นทุกข์การเกิดก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์การประกอบกิจ ก, การงานก็ทุกข์การแพงพักผ้าแจกของรักของชอบใจก็ทุกความปรารถนาไม่สมหวังกะทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ถ้าจิตใจสงบ ก, ก็สงบไม่กิเลส ตายไปแล้ก็จะมีความทุกข์ต่อคือเกิดไอาา้าบย่ภูมิและท่องเที่ยวภายในภพสงสารนั่นของบรรดาตในพุทบริษัตตั้งก่อนภาวนาให้ตัดวินใจตามความเป็นจริงว่าขึ้นเที่ยวความทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกที่เราจึงที่เราต้องการคืนิพพานถ้าต่อ น, นั้านไปก็ตั้งใจคิดว่าเราจะทานเป็นการตัดความโลภยังไม่ให้ไม่เป็นไรคิดว่าจะให้เป็นฌานคามปีติปมฐานเป็นาน ตั้งใจจะรักษาสินงที่มีคุณธรรมแต่ร่างกายคือมีเมตตาคุณาสั้งร่งกายเป็เรื่องคําเป็นการทําลายโทสะความโกรธหมดความหลงหมดเยื่อใยในร่างกายเป็นการตัดมวัวความหลงถ้าทุกคนตรงจิตได้อย่างนี้ในเวลาใกลย่าตายตัดสินใจไป น, นี้ทุกคนก็ค้นจา่ความทุกข์คือเจสังหูสมุทโ ข, ข คือที่ร่ารเข้าไปสงปบก่างนั่นที่ต้องเกิดต่อไปไม่มีตอนนี้ไปคนดาจะพุทธวิญญาณหลายเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานเปนกรรมฐาน